พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่มหากัจจานะพัทเธกรัตสูตรพระมหากัจจานะแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทรับอยู่ณตโปทารามเขตกรุงราชฤกษ์ครั้งนั้นแหละเทวดาองค์หนึ่งเข้าไปหาท่านพระสมิทธิถามว่า จำขท่าที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมท่านพระสมิทธิีตอบว่าจำไม่ได้เทวดาจึงพูดว่าภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็าจำไม่ได้ขอท่านจงศึกษาเล่าเรียนและจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิดเพราะว่าอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญนั้นประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติปรมจันท์เทวดานั้นกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเองเมื่อล่วงราตรีนั้นไปท่านพระสมิทธิ์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเล่าเรื่องที่สนทนากับเทวดานี้และทูลขอโปรดแสดงอุเทละวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญซึ่งทรงแสดงไว้ดังนี้ บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังมาไม่ถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมะนั้นให้จำแจ้ง บุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเราจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพียนกับมจุราชผู้มีเสนามากนั้นยอมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมูนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้รานทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแหลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญ ทรงชี้แจงโดยย่อดังนี้แล้วทรงลุกจากพุทธอาฏเสด็จเข้าไปอย่างที่ประทับภิกษุเหล่านั้นยังไม่เข้าใจต้องการคําอธิบายเพิ่มจึงคิดถึงท่านพระมหากัจานะผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องจึงเข้าไปขอร้องให้อธิบายเรื่องนี้โดยละเอียดท่านพระมหากัจานะบอกให้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้อธิบายจะดีกว่าแต่ภิกษุเหล่านั้นก็ยังรบเรา้า ให้ท่านพระมาหากัจจานะอธิบายในที่สุดท่านจึงแสดงเรื่องนี้ไว้ดังนี้บุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือมีความรู้สึกเนื่องด้วยชันทราคะมีความติดใจพอใจในจักขุและรูปนั้นว่าในอดีตเรามีจักขุอย่างนี้ได้รูปอย่างนี้เพราะมีความรู้สึกเนื่องด้วยชันทราคะ บุคคลจึงยินดีจากขูแล้วรูปนั้นบุคคลเมื่อยินดีจากขูแล้วรูปนั้นจึงชื่อว่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและโดยในยะเดียวกันมีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะในโสตะและเสียงนั้นว่าในอดีตเรามีเราได้โสตะและเสียงอย่างนี้มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะในคานะและกลิ่นนั้นว่าในอดีต เรามีเราได้คานะและกลิ่นอย่างนี้มีความรู้สึกเนื่องด้วยชันธราคะในชิวหาและรสนั้นว่าในอดีตเรามีเราได้ชิวหาและรสอย่างนี้มีความรู้สึกเนื่องด้วยชันธราคะในกายและโภทภะนั้นว่าในอดีตเรามีเราได้กายและโภทภะอย่างนี้มีความรู้สึกเนื่องด้วยชันธราคะในมโนและธรรมารมณ์นั้นว่า ในอดีตเรามีเราได้มีมโนและธรรมารมณ์อย่างนี้เพราะมีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะบุคคลจึงยินดีในโสตะและเสียงยินดีในคานะและกลิ่นยินดีในชิวหาและรสยินดีในกายและโผฏฐพะยินดีในมโนและธรรมอารมณ์นั้นจึงชื่อว่าคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว บุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือเพราะไม่มีความรู้สึกเนื่องด้วยชันธราคะไม่มีความติดใจพอใจในจักขุแล้วรูปนั้นว่าในอดีตเ ร, เรามีเราได้จักขุแล้วรูปอย่างนี้เพราะไม่มีความรู้สึกเนื่องด้วยชันธราคะบุคคลจึงไม่ยินดีจักขุแล้วรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว โดยในายะเดียวกันเพราะไม่มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะในโสตะและเสียงในคานะและกลิ่นในชิวหาแลารถในกายและผลทพักในมโนและธรรมารมณ์เพราะไม่มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะบุคคลจึงไม่ยินดีในคานะและกลิ่นไม่ยินดีในชิวหาแลวรถไม่ยินดีในกายและผพทพัไม่ยินดีในมโนและธรมรมารมณ์นั้น จึงชื่อว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วบุคคลหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีพึงได้จากขู่แล้วรูปอย่างนี้เพราะความตั้งจิตเป็นปัจจัยบุคคลจึงยินดีจากขู่แล้วรูปนั้น บุคคลเมื่อยินดีจากขู่แล้วรูปนั้นจึงชื่อว่าหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและโดยในยะเดียวกันตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีพึงได้โสตะและเสียงอย่างนี้เราพึงมีพึงได้คานะและกลิ่นอย่างนี้เราพึงมีพึงได้ชิวหาและรสอย่างนี้เราพึงมีพึงได้กายและผลตภะอย่างนี้ในอนาคต เราพึงมีพึงได้มโนและทำมารมอย่างนี้เพราะความตั้งจิตเป็นปัจจัยบุคคลจึงยินดีในโสตะและเสียงยินดีในคานะและกลิน่นยินดีในชิวหาแล้วรสยินดีในกายและโพัพะยินดีในมโนและทำมารมนั้นจึงชื่อว่าหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นอย่างไร คือบุคคลไม่ตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ว่าในอนาคตเราพึงมีพึงได้จกักรุลรูปอย่างนี้เราพึงมีพึงได้โสตและเสียงคานะและกลิ่นชิวหาเล้ารสกายและผลทพะมโนและธรรมารมอย่างนี้เพราะความไม่ตั้งจิตเป็นปัจจัยบุคคลจึงไม่ยินดีในโสตและเสียงไม่ยินดีในคานะและกลิ่น ไม่ยินดีในชิวหาแล้วรสไม่ยินดีในกายและโผฏฐะไม่ยินดีในมโนและธรรมารมณ์นั้นจึงชื่อว่าไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงบุคคลงอนแง่นในธรรมะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือมีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะในจักขุและรูปทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้น บุคคลจึงยินดีจากขูบและรูปนั้นจึงชื่อว่างอนแง่นในธรรมะที่เป็นปัจจุบันมีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทะราคะในโสตะและเสียงในคานะและกลิ่นในชิวหาและรสในกายและโพธพะในมโนและธรรมอารมณ์ทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้นบุคคลจึงยินดีในแต่ละข้อนั้นจึงชื่อว่างอนแงนในธรรมะที่เป็นปัจจุบัน บุคคลไม่งอนแง่นในธรรมะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือไม่มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะในจักขูและรูปทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้นเพราะไม่มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะบุคคลจึงไม่ยินดีจักขู่และรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่งอนแง่นในธรรมะที่เป็นปัจจุบันไม่มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะในโสตและเสียง ในคานะและกลิ่นในชิวหาแล้วรสในกายและผลทพะในมโนและธรรมอารมณ์ทั้งสองอย่างที่เป็นปัจจุบันนั้นเพราะไม่มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทราคะบุคคลจึงไม่ยินดีในแตละข้อนั้นจึงชื่อว่าไม่งอนแง่นในธรรมะที่เป็นปัจจุบันท่านผู้มีอายุทั้งหลาย กระผมรู้เนื้อความแหกอุเทศโดยพิสดารอย่างนี้ท่านทั้งหลายหากต้องการรู้ยิ่งขึ้นไปพึงเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนั้นพระองค์ทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมอนุโมทนาพาษิทธิของท่านพระมหากัจจานะแล้วลูกจากอาสนะเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลให้ทรงทราบถึงการแสดงธรรมของท่านพระมหากัจจานะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหากัจจานะเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามากแม้ว่าเธอทั้งหลายจะพึงสอบถามเนื้อความนี้กับเราเราก็จะพึงตอบเนื้อความนั้นเหมือนกับที่มหากัจจานะตอบเรื่องนี้มีเนื้อความดังนี้แหละเธอทั้งหลายจงทรงจำเรื่องนั้นไวอ้อย่างนี้เถิด พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจเย็นดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบมหากจานะพัเทกรัตสูตร